ฟังทากันมีผู้พูดปีผู้ฟังทงแล้วนำไปทาดูฟังหมูใส้ออกงุกหวัวเฉยๆจริงที่พูดนี่ก็พูดเรื่องของเราทุกคนนี่แหละ ทุกคนก็เหมือนกันในกายมีใจมีอะไรต่างๆเป็นบุญสิันเรื่องอยู่ในกายในใจนี้เกียนให้จบเกียนให้จบรู้ให้ครบมันจบไปถ้าเรียนไว้จบมันก็จะมีปัญหาเป็นภาร ะ, ระเรียนว่าใายเกิด อยู่ในสังสารวัตขาดทุนชีวิตเรานี้ได้มาอย่างดีแล้วเป็นเจ้าสรพัดนึกเป็นมนุษย์สมบัติทำดีได้และความชั่วได้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 ถ้าเราไม่รู้ไม่สอนมันก็สุขสนร่างกายก็สุขสนจิตใจก็สุขสนต่พัดอย่างสมสนจนเป็นกิเลสพันห้า 108. ตัณหาร้อยแปดถ้าศึกษาบุขคตนแล้วก็บริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงพร้อมทั้งอถัถฐพร้อมทั้งวิจนะ ได้เป็นมากเป็นผลการศึกษาชีวิตของเรานี่ยาต่อรองอะไรว่าต่อรองกับการกระทาให้มีการกระทรลวนล้วนบางทีเอาทิฏฐิมานะมาต่อรองเปมิปมปมด้วยปมเครื่องสำคัญมั่นหมายในตัวเองอัตตาทิ่ปฏยย เอาตนเป็นใหญ่เคยมาอย่างไงนิจเส ย, ยงไงไม่หัดบางทีก็โลกาทิปเทยะเอาโลกเป็นใหญ่ถ้าเป็นธรรมมาทิปเทยะเอาธรรมเป็นใหญ่มันมีความถูกท่องต้องสามอย่างถ้าตนเป็นใหญ่อาจจะผิดได้ กาโลกเป็นใหญ่จะผิดได้ถ้าทำเป็นใหญ่เนี่ยไม่ผิดหรือ ว, ว่าอาธิปไตยของมนุษย์บางคนเอาเวลากระทาลงไปต่อรองเคยเห็นหลายคนสวัยขา้าพเจ้าก็มีพระมาลุงกัจจบุตรที่มาบวชก็จะมาต่อรองกับ การสอนรพระพุทธเจ้าตั้งโจทย์เอาไว้ถ้าปฏิบัติธรรมน่ต้องได้คำตอบเกิดมาทำไมตายแล้วจะไปไหนถ้าตอบจากนี้ไ่ได้ก็จะศึกษา ันเอาโจ์นี่ขวงกันหานะคำตอบแต่อย่างเดียวอาจจะหาคำตอบจากความคิดหาคำตอบจากคำถามอะไรต่างๆมากมายบางคนก็มีเหมือนกันบางคนก็เก่งมากเป็นพระวาทฎยาโจม เคยเห็นเป็นครูเกษียนแล้วเป็นครูที่มีคุณความดีเยอะแยะแต่ที่ก็ลบนอบถือของชุมชนก็เกษียนแล้วส ม, สมสัครสจสมาชิกสภาจังหวัดใต้ถึงสี่สมัยสําเร็จเป็นสมาชิกสภาจังหวัดก็สําเร็จ สร้างคุณมามความดีก็เลยมาบวชมาสร้างเจดีใหญ่สําเร็จมาสร้างโบวชใหญ่สําเร็จมาสร้างมันดบให้พระพุทธรูปองค์พ่อดำองค์ใหญ่สำเร็จอะไรก็สําเร็จมาสําเร็จมา ออยู่เรื่องเดียวคือมาปฏิบัติธรรมจะต้องสําเร็จแน่นอนมาปฏิบัติธรรมจะเอาตนมาต่อรองกับการกระทําจะสําเร็จจะสำเร็จจะต้องได้จะต้องได้จะต้องได้แล้วก็ได้จริงๆละ่ะต่อมาได้ก็มาบอกเราหลวงพ่อดูผมจี เดวนี้ผมมาเหมือนเก่าแล้วจีบอลผมเวลาห่มลงไปเป็นดอกบัวเต็มตัวเลยเราก็ไม่ว่าอันนั้นก็เป็นเรื่องหนึ่งแม้จะเป็นดอกบัวเป็นงานวันทองก็เป็นเรื่องอันหนึ่งแต่ว่าต้องเห็นลูกเป็นนามนี้เราพยายามที่จะแนะนํนาทิศทางให้ ก็ไม่เอาหลวงพ่อคงมีปัญญาไม่ถึงผมผมปัญญาเหนือหลวงพ่อแล้วปัญญาคนละดับแล้วมองไม่เห็นเหรอดอกบัวเต็มผ้าผมเลยวางผ้าเีวรลงทิ้งเอามาหอมอกเป็นดอกบัวอีกเนี่ยมันก็เป็นอย่างนี้อันนี้ก็เอาการกระทำเอาสำเร็จล้วก็สำเร็จ เอาใจผิดไปเป็นวิปัจโนเป็นวิปรลาดไปนีทะหลวงพ่อรูปหนึ่งมาจากอำเภอหนองหานเป็นกำนันมีครอบครัวไม่มีลูกก็เกียนกำนันแล้วก็มาบวชแต่วันก่อนเราก็ กีเยยรย์อยู่แถวโ น, น, น, น, น, น่นหรยแพทธรรมะอยู่แถวอุดรหนองหาหนองคายตะโกนนครแต่ไมเติมต้นโดงคุกตลาดที่ไหนที่เลคูอุดรธานีเข้คาคุกออกเกาสอนนักศึกษาสอนครูอาจารย์ที่นั่นก็มาปฏิบัติ หลวงพ่อเอาเน่ไหลข้างหนึ่งต่ําไหลข้างหนึ่งสูงหลังกองกองพะมาปฏิบัติธรรมก็เอาความเจงของการปกครองเอาความเจงของสติปัญญามามาปฏิบัติ ด, ด้วยพอปฏิบัติไปได้จากพักหนึ่งลู่ลูบลู่นาำก็กลายเป็นวิปัจโน กินแต่ยานว่าวันลูกขนาดนี้ก็น่าจะมากกว่านี้ถ้าวันเจ็งจริงจริ ง, รงความรูน้นี่ถ้าเจ็งเปลี่ยนชีวิตกี่ใจได้ต้องเปลี่ยนเราดูสิให้ไหลของเราเสมอกันขึ้นมาก็พยายามคิดตรงนี้กันเอาไปมาก็ไหลก็เสมอกันขึ้นมาก็สําเร็จ มองตัวเองว่าไหลมันก็เท่าสองเงานะก็จบก็เสมอกันแล้วตัวพิจูรณาดวงจริงหรือเปล่าก็เดินจงังกลมเชือกโขกเก่างไรห้หอยลงมาเดินไปทางนี้เอาไหลทางนี้ก็สวิปัดไปเดินกลับมาเอาไหลทางนี้มาใส่ก็สวยปัดไปอา้าวมันจริงจริงหนะือเสมอกันจริงจริง ก็มาพูดให้เราฟังอ า, อาจารย์ผมก็มีอะไรหลายอย่างเดีย๋ยวนี้ไหลของผมเสมอกันแล้วแต่เราดูผมก็เท่าเก่าไม่เลยเสมอกันสองคนมั่นหมายวยาก็ยามละก็เจ๊ขายให้ <c oughs> นี่มันก็เป็นอยากลูก้อยากเห็นเกินไปไม่ใช่นะ ปฏิบัติธรรต้องทำซื่อๆน้เจ้ววว่างๆมารับของแกกมาลับน้ำอย่ามีอะไรเต็มอยู่ในนั้นตตาทิพยเตยะลากาทิพยตยะปลาลบตนเป็นใหญ่ปลาลบรูปรเป็นใหญ่ต้องเอาทำเป็นใหญ่มีสติเนี่ย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 เนี่ยให้ทำอย่างนี้ถ้ารู้สึกตัวเกิบกลายจะว่าใช้ได้ถ้าจะมีการต่อรองเอาแบบพระพุทธเจ้าต่อรองการค้นพวหาเรื่องนี้ถ้าจะเอาอัตตาเทปยะพระองค์คงทำไม่ได้เป็นกษัตริย์เจ้าพ่าชายเป็นพระเจ้าจั ก, กรพัติราช ตะโกนสาก็จะบงโอรสของพระเจ้าสุโธธนะเล่าหรือกันเต็มตั้งแต่ประสูติมีพระลักษณะงดงามตกต้องลักษณะสามหสองประการเดินพามาทํนางไทยทักษ้าออกอวดจะได้เป็นศาสตราเอกในโลกต้าครองอารวาจะเป็นพระเจ้าเกิดกับพัด รอบกลมทุกแคว้นในโลกพระเจ้าโททัปรปทุนถนอมให้อยู่ในโลกสร้างภาษาสามดใูให้สมรสกับระนางพิมพา์า ไม่สนมกำนันนายัดปีอยู่เรื่อยไม่มีบุรุษเกียรปนถ้าจะเอาโลกอัตต า, าเทวิยะสมบูรณ์แต่ไม่ได้เกี่ยวข้องเรื่องนี้เห็นการเกิดเจ็บตายเนี่ยรภาัดคงกมินรพัดเห็นการเกิดเจ็บตายของคน ถือว่าเป็นการบ้านจะศึกษาเรื่องนี้มองเป็นคู่เมื่อมีเกิดต้องมีไม่เกิดเมื่อมีแจต้องมีไม่แจเมื่อมีเจ็บต้องมีไม่เจ็บเมื่อมีตายต้องมีไม่ตายอะไรมันต้องเป็นคู่มีร้อนมีหนาวมีมืดมีสว่างมีหิวมีอิ่มมองเป็นคู่กัางคืนมีกลางวันต้องมีคู่แน่นอน เมื่อถามเรื่องนี้ต่อพระเจ้าปู่พระเจ้าญาพระเจ้าตาพระเจ้าใหญ่ใครก็ได้เป่งใครก็ถามไม่มีใครตอบได้จิตตระจจึงเอาเรื่องนี้เป็นการบ้านเป็นโจทย์ของก่อนหาคำตอบเฉลยให้ได้ก็เห็นสมณะเป็นนักบวด ก็ชิดจากใช้ชีวิตแบบนักบวชเพื่อศึกษาเรื่องนี้จนถึงอายุยี่สิบก้าปีออกศึกษาเรื่องนี้ไม่ท้อถอยไม่เอาอัตตาทิพยระยะโลกาทิปย์ยะเอาทำ้ะนี้เป็นสิ่งที่ใจใจศึกษาจนล่มเหลว หลอยทางเกยนตายตามครูอาจารย์ตา่างครูทั้งหกศึกษาจนจบครูทั้งหกครูคนสุดท้ายอุทกกะดาบโบตรารดาบ ท, ดาาดาดาบทได้ถึงสมบัติแตไม่ไปที่พอใจของคนยังตอบปัญหาเรื่องเกิดเจ็บเจบตายไม่ได้จต่อ ตัวเองเป็นตำลาเอากายเป็นตำลาเอาใจเป็นตำลาหลังที่เราทำตามอยู่ขนาดนี้ได้บอกกัญาณปัจจนาอาศัยการล้มเหลวทั้งหมดหปีอาจจะได้กระแสเกยนี่สมัยเมื่อเป็นเด็กไปเลิกหนะ้าขวน ขนมกำนันในทั้งหลายวางพระองค์อายุเจ็ดขวบให้อยู่ในล่มว่างอแต่แรกหนาะขวนกับบริวารปัจจุประชาชนลืมโอรถน้อยลาหนอนอธิษฐาปล่อยทิ้งไว้ลำบังผู้เดียวในต้นว่า นานเป็หลายชั่วโมงจนดวงอาทิตย์บายออกไปแต่ล่ม้ายังไม่หนีไปไหนกลับมาเห็นนั่งอยู่ว่าอย่างนั้นตามตําลางแต่จิตถะก็อาจจะคิดได้ตอนนี้เออเราเคยเป็นเด็กเคยนั่งอย่างนี้นะมาบำเพ็ญทางจิตเนี่ยไหนเรายังขาดตอนนี้อยู่มาบำเพ็ญทางจิตลองดูมาดูกายดูจิต มาเช่าเหตุและผลอราเดินเราเอาเรื่องนี้นะไปเป็นกระแสเป็นนิมิตบ้างแล้วมาบำเพ็ญทางจิตการบำเพ็ญทางจิตมันจับจิตไม่ได้ <c oughs> ก็จิตไม่มีตัวมีตนให้จับ ม, มันเข้าหมดออกเหมือนกายนี่เหมือนถ้าจิตเหมือ น, นกับสัตว์อนหนึง่งที่อยู่ในถ้ำออกง่ายเข้าง่ายจับไม่ได้ ก็เลยมาศึกษาเรื่องกายานปัจนาเนี่ยเอากายนี่แหละนั้นก็หาวิธีเยอะแยะเลยเด็กก็นั่งอยู่ที่นี่โคตรโต้ยู่ด้าลงทานนั่นนะ่ะโตน้นี่แหละเดี๋ยวฝังแม่น้ำในลัญชลาทางทิศตะวันออกเนินบ้านสูงขึ้นไปเป็นบ้านนางสุชาดา โูกสาวเสรษฐีก็นั่งอยู่นี่ตะเกียกตะกายตามร่มน้ำในลันเชลลาลงมาอยู่ในดงขัตสิลิทางตอนเหนือหล่อลงมาตามร่มน้ำลำบัดลำไม่ลันเชลลา ดงลูกคคานมามาขึ้นฝั่งตรงเนี้ยนี่โคตรท า, านะ ร, รมามน เ, นเนี่ยในโคตรต้นนนโคตรําเพนท์ังกฤษเนี่ยมามีสติดูกายแล้วก็มีอยู่จริงกายเนี่ยเริ่มต้นจากการคู่แขนเข้ารู้สึกตัวเหยียดแขนออกรู้สึกตัว เอาจากนั้นก็เดินจกงกรมรู้สึกตัวเอากายเป็นนิมิตติ่ตั้งกายมีกันทุกคนน่ะกายของเราก็มีสติก็มีให้รู้สึกตัวเนี่ยเมื่อใดเอาเหตุอะไรมาต่อรองเอาผิดเอาถูกอย่าเอาผิดเอาถูกมาต่อรองกับความกระทําอย่าเอายากเอาง่ายมาต่อรองกับความกระทํา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 บางทีก็สิ่งแวดล้อมทำให้เปลนไปตอนตัวก็จะเปียกเดี่ยวดอกก็ร้อนโยงมาก็กัดแต่เลื้อยขานมาก็อาจจะงูจ้องอ่างมาชู่วคอรู้ก็ได้บางทีงูงหอมาขู่ก็ได้ตอนตาเคยเจอเหมือนกันนะ่ะนั่งอยู่ทัวงเปลียนอยู่อยู่ไกลๆเพื่อน แต่มันไล่งูห่อมาอันใกล้หลังมันก็ไม่รู้แล้วก็ทะเลาะกันมาเป็นดงป่าไัยให้ไล่ต่ำๆคลื้มๆอยู่พุทธิยานมั่งเลยทีนี้เป็นหมาหาวิเลยราจะพัดเลยแล้วเสียงกูกีโกูกีกันมา แต่ก็แช็ดๆช็มาเลยลางูเลื่อยมามันก็กัดฐางงูงูก็ระโดดเข้าไปสู้อาต่ก็ด้างงูมันกระโดดขึ้นไปสู้ก็ไม่ก็ไม่สู้เวลางูไปเลื่อยไปก็กัดฐางไล่กันมาไล่กันมากน <c oughs> ใกล้ๆเราก็ได้ยินแต่เสียงมันแต่ไม่สนใจมัวแต่สร้างจังหวะอยู่หลบตาว่างสร้างจังหวะบ้าง กรล่ำงูงน้องก็เอาอย่างเนี้ยอย่างเนี้ยไม่จำเป็นจะว่ า, านะบางทีก็หลับตาบางทีก็ลื้นตาเราเลื่อนตาขึ้นดูมันเป็น ง, งูงูเห่าก็จะมันเล่มาแล้วก็มีเตียงง่ายผยนั่งอยู่มันก็มาหาเราเนี่ยก็ว่าจะบอกมันว่าจะมานี่นะเรานั่งอยู่นี้ ก็เลออกล่องไม่ขีดไปโยนไปเนี่ยไปถูกหัวงูนึกว่าจะให้มันถูกมันหรอกแต่ไปถูกหัวพอดีแล้ว <c oughs> ก็ชูคอขึ้นคูเราใส่พังพานหรอกเราก็จีวรมาขวางห้าไว้กลัวมันจะพดนดําหลายเส่เขวงไวน้นียก็ดูหรือมันกระโดดบ้าจะเอาจีวรมาคุ้มหัวมันที่อย่างเนี้ย <g ül> ก็เลยคิดในใจว่าขอโทษขอโทษเราพจะบอกว่าจะมานี้เรานั่งอยู่นี้แต่มันก็กอบมาฉีดไปถูกหัวเขาเขาก็โกรธเราจูคอไปฟังฟานเอาได้เลยว่าขอโทษขอโท ษ, โทษไม่เป็นไรนะ ถ้าไปมาโขเราก็น้องอาไรก็พุบหัวล่ลงวิ่งเขากผ่าฟอันนี้ก็มีถ้าเรานั่งหลับตาใช่ไหมหลับตามันก็เลื่อยมาเลื่อยมามาขึ้นจากเราเราลืมต่อคืองูจะปัดงูงกูกัดเอาตายเลยเออหลับตาบางครั้งก็ได้ไม่ไม่หลับก็ดีอันนี้ก็เหมือนกันเวลานั่นเกิดขึ้น อาจจะบางทีเราไม่มีสติอาจจะกลัวแล้วก็อย่าไปเอาความกลัวอาการต่อรองอย่าเอาการอะไรมาต่อรองให้มันรู้จึกตัวไปกับทุกกรณีประสบการณ์เรื่องที่มันตื่นเต้นที่มันสะดุง้งก็อย่าเอามาเป็นเรื่องอเกี่ยวข้องลำดับลำนำําทําแล้วไปวเป็นเรื่องสนุกสนานไปเลย อะไรเกิดขึ้นขณะที่เราปฏิบัติหลังชากให้เรารู้จึกตัวเปลี่ยนความกลัวเป็นความรู้จึกตัวเปลี่ยนความสะดุ้งผวาเป็นความรู้สึกตัวเข้มแข็ง ข, ขึ้นเลยอินทรีย์แจงก้าขึ้นเรื่อยไม่หวัน่นไหวติดตามความรู้จึกตัวกายเคลื่อนไหวยอยู่เรื่อยเวลาใจใจมัคิดก็รู้จึกตัวเพราะมันเฝ้า อ, อยู่แล้วเหมือนเรามีตาดูอยู่แล้วงูเลื่อยมาก็เห็น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 มันเป็นธรรมชาติด้วยเป็นอาการด้วยรูปธรรมมันก็มีอาการวัตถุอาการนา้ํธรรมก็มีวัตถุอาการที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับรูปเกี่ยวกับน้ำนี่ความกลัวเป็นอาการของน้าความเหน็ดความเหนื่อยความร้อนความหนาวเป็นอาการของรูปไม่ใช่รูปจริง รูปมันเป็นรูปล้วนๆมหาภูตรูปก็ารูปมันมีอาการมันก็เป็นรูปไม่ได้มันมีอาการมาใสยธรรมชาตินี้แล้วมีธรรมชาติบ่งบอกแสงแดดก็ร้อนลมถูกก็หนาวเย็นฝนตกก็หนาวมันมีธรรมชาติของเขาขาดอาหารก็หิวมีหนักมีเบอเป็นอาการของรูปของนาม บางทีมันมีกิจปัญหาเกิดขึ้นพปงแปรกิวณอาการของรูปของนามมันมีวัตถุอาการมีตามีหูมีจมูกมีลิ้นมีกายมีใจมีวัตถุรูปรสกฉิ่อเสียงวัตถุภายในคือตาหูจมูกลิ้นกายใจวัตถุภายนอกคือรูปรสกฉิ่อเสียงสัมผัสอารมณ์ต่างๆตามองเห็นเห็นรูปเห็นรูปมีอาการอะไรเกิดขึ้น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 นั่งอ่นิ่มกว่าทุกของลูกมันอยู่ได้ไม่นานตั้งอยู่ไม่ได้นานพอ ล, ลูกนี้ไม่เที่ยงตั้งอยู่ไม่นานเกิดขึ้นแล้วดับไปมีแล้วหายไปเกิดในอาการอะไรก็ดับได้เช่นเราเกิดอาการทางจิตเกิดโกรธความโกรธก็มีแลี้วหายไปมีแลี้วดับไปได้ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตน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 มันก็จะหลดสังเวชในลูกทำนามทำสงสารรูกสงสารนามไม่เคยช่วยเหลือลูกไม่เคยช่วยเหลือนามปล่อยให้ลูกเป็นปล่อยให้รูปเป็นทุกข์สูบุรี่กินเหล้าไม่เคยช่วยเหลือปล่อยให้นามเป็นทุกข์โกรธโลบหลงวิตุกงังวลเศ้ามองครับคร บ, บโกรธเครือง ท, งทั้งที่ทุกข์อยู่ไม่เคยช่วยเหลือ เรไม่เห็นรูปเห็นนามแล้วโอ้ยสงสารรูปสงสารนามสงสารตัวเองเกิดรักตัวเองเอนชีวิตทุกข์แล้วที่เกิดกับรูปเนี่ยไม่ปล่อยไปแะละ้วเลยเอาใจใส่ตรงนี้ถ้าวันเห็นไม่ต้องไปถามใครเช็ดความโกรธมันเกิดขึ้นกับนามเวลาคันตะกะมันจรมาเราไม่รับมันก็นได้ มีสติเข้าไปอย่างเนี้ยรูปทุกนามทุกเนี้ยรูปโลกนามโลกมันก็มีมันก็เห็นแบบเนี้ยเห็นรูปสมมุตินามสมมุติบางทีตาเห็นรูปไปสมมุติเอาว่าดีว่าไม่ดีงูได้ยินเสียงไปสมมุติว่าดีว่าไม่ดีแต่หมูกได้กินสมมุติว่าชอบไม่ชอบ ลื่นในรถกายสมปัตตใจเช่นนึกว่าชอบไม่ชอบมันเกิดชอบไม่ชอบสมมุติบัญญัติเราเองไม่ใช่ปรามาั จ, จารย์ก็กลายเป็นความโกรธความทุกข์ความลำบากได้ปรามาั จ, จารย์มันไม่เป็นไรในความโกรธมันมีความไม่โกรธก่อนความโกรธมันเป็นสมมุติบัญญัติก็มไม่โกรธเป็นบารมีปรามาจารย์ เราไม่รู้พอเกิดสมมติเกิดบัญญตัติก็เกิดอุปทานยึดมั่นถือมั่นสำคัญมั่นหมายเอาความปวดเป็นตัวเราเอาความร้อนเป็นตัวเราเอาความหาอาความหิวเอาความเจ็บความปวดเป็นตัวเราเป็นอุปทานไป <c oughs> เป็นทุกทุกพอไปยึดถือที่เราสวดอยู่เนี่ยว่าเรายกอุปทานขันทั้งห้าเป็นตัวทุก ถ้า ม, มีอุปทานมันไม่มีอะไรเป็นแต่อาการมันบรรลุทําได้เห็นอย่างนี้อะเห็นไปอย่างนี้เห็ น, นกองริงอย่างนี้มีอยู่จริงไม่ใช่เห็นนอกตัวไม่ใช่หอมจีวนไปตกบัวไม่ใช่ไหลมันสูงอันเสมอไปอันนั้นมันเป็นเรื่องหนึ่งอ่าไม่ใช่ฤทธิ์อย่างนั้นบางคนก็แสวงหาลทธิปะฏิหารอย่างนั้น ฤทธิ์ี่จริงๆคือทําให้สําเร็จเนี่ยมันหลงเปลี่ยนความหลงเป็นความรู้ได้เป็นฤทธิน์น้อยๆไปหนาวันทุกเปลี่ยนความทุกเป็นความไม่ทุกเนี่ยมีฤทธิ์ฤทธิ์ไปเพ่าให้ทําให้สําเร็จเปลี่ยนควา ม, มไปไปร้ยายเป็นความดีเนี่ยนี่เรีว่าฤทธิ์คือสําเร็จอย่างเนี้ยชื่อฤทธิ์คืออยู่ยงคงกระพันยังไม่แหงแทงไม่เข้า คนก็ต้องการอย่างนั้นจึงหาคออย่างนั้นจนหลงไหลแต่ไหมก่อนเนี่ยมีพระเครื่องก็ไม่ได้ไม่ได้ใช่แบบนี้แต่ไหมศาสนาพุทธมาอยู่วองไทยใหม่ๆจุโขไทยเห็นว่าเป็นคำสอนที่ดีพระเจ้าแผ่นดิน การเผยแพร่ศาสนาในใสมัยนั้นไม่มีสมุดไม่มีกระดาษเขียนเป็นหนังสือเหมือนพวกเราว า, วางแผนแจกเอาดินเอาโลหะมาหล่อพระเอาน่อยๆแจกให้ะปปชาชนพระนี้เอเขียนไว้ที่คอ พะนี่ทำชั่วไม่เป็นนี่จะททำดีเวลาใดใจมันชั่วคิดเห็นพระอยู่ในใจอันความชั่วความทุกข์ไม่ใช่พระเปลี่ยนความชั่วเป็นความดีวางใจอานนี้พระสมัยก่อนแจกให้เขาพูดอย่างนี้๋ยวนี่ก็แจกพระให้กันอยู่ยงคงกระพัน ก็เข้าใจผิดไปก็กระตุจพลังพลังปกเสกแสนรช บ, บ้างอันดาพานชื้อหามาคุมเป็นเครื่องอุตรลรมนอนตายกับเครื่องหลังกองธัมมะต่างหากเปลี่ยนความชั่วเป็นความดีเปลี่ยนความโกรธเป็นควา ม, วา ม, วามไม่โกรธเป็นหลวงพระจริงนี่ว่าพระ แล้วาประเสริฐอย่างนี้ถ้าไล่ธรรมไล่ธรรมะผีสิงควมโกรธเข้าสิงลืมไม่เห็นเห็นเมียก็เป็นบาเห็นสามีของตนก็เป็นหมามันมืดมันไม่เห็นมันสิงเข้าไปก็ฆ่ากันตายได้เพราะความโกรธ มีมากมายความโกรธเปออ็อารมมาย่อมใจอารมณ์เนี่ยมันไล่กว่าเสือเสือมันไล่ไม่เคยเห็นเสือกัดคนเท่าไหร่เนี่เหมืนเป็นสัตว์ไล่แต่มไม่เคยยินข่าวว่ามันกัดคนเท่าไหร่ที่นี่ก็มีเสือสมัยก่อนแอนบอยไม่เพีย้ยนหลงเอาเมาอ่ะ ลองจากเนี่ยจากแถวนี่แหละตามทางลากทรงกันที่เราเดินอยู่นี่เป็นทางลากทรงนะไม่ใช่เราตัดนะทางลงเรื่อยเออถ้าลากทรงเนี่ยมันมีทางเส้นเดียวอยู่นี่ยออกไปไปโน่นไปบ้านแม่สุดไปโน่นที่บ้านแม่สุดที่สาราหน้าเป็นเป็นเป็นลานว่างวางท่อนทรง ต้นมงอต้นคนนวางเกะกะเย่นั่นแหละอ่ามันก็ลองออไปมเอานี่ อ, อสบหนะขี้น้อยนะอ่าเราไม่มีกติมีฝาเลยนะเอาไม้เดือนลำมาปูองย่แอแฝอต้นมักเวมักแน่งนะปูนอนเ้าไม้อันต้นเรวต้นแนงนี่ปู เห็บมันเยอ ะ, อะขึ้นใบกัดพวั น, นี่มีกินเอาไว้พูแล้วก็นอนเสือร่องเอนี่ยจีบหกอ่ะคืนนั้นหนาวสี่ศูนย์ลบสี่ต้นกล้วยตายต้นอ๋่ไม่ใบใหญ่ตายหมดเลยเนะเสือมันร้องตลอดเคือนเลยเมาเราก็นอนอยู่เจ่าๆกติเกียวกัหญิงน่ะ อดีตไม่เคียดเนะ่ยไม่มีฝาเรีนไม่เรียนลำโพงอดีน น, น้อยก็ร้อนอยู่โลาไก่เตี้ยๆใช่ไหมไม่มีประกันกันนะเน้นเน้นล่องให้เลยอันนั้นไม่นนกลัวเสือก็ไม่ร้ายอะไรนะเล่นล่องตลอดเกิน แล้วก็นอนอยู่ฟังเสียงเสือเน้นนอยมันร้องให้กลัวก็ตื่นขึ้นมามันก็ทางลากทรงอ่ะมันเป็นดินพุกคุกก็คือดินขี้ฝุ่น农民工 ด, ดูลอยเสือโอ้ยเท่าเดือดเดินไปแหกกลกไดเทางลากทรงอ่เสือมันลายมันก็ไม่เคยกัดกคร เจอกันเหมือนกันหลังตาเดินจากสลาไก่จะขึ้นไปออไตเก่ามันก็ออกไปจากทางนี้ละ่ะทางแคบๆเดินไปก็ไปเจอมันหลตาก็อมองมันมันก็มองเราหลัตามองมันแบบไม่กลัวมองมันแบบคิบยิ้ม เราคิดอยู่ในใจว่าเสือไม่กัดเราช้างไม่ทําลายเรางูก็ไม่กัดเรามันคิดแบบนี้ใช่ไหมก่อนมันก็มองเราเราก็มองมันไม่แต่คิดว่ามันจะไม่กัดเราประเดียมก็เอ็นหลังลงเอ็นหลังลงตีหางตอกเต็กตอกต็กตอกเต็กตอกเกแล้วก็กกกกมันยืนหลังโขงโขงพอง ม, มองกันเอ็นหลังลงเนาะ ก็อาหารตีเพอร์เฟกเพอร์เฟกต์แล้วก็รีบออกนี้ไปมันก็ไม่เปลียนไหลมันไม่กัดเรานะถ้าเราไปเห็นอย่างนั้นเราก็มีกรรมฐานมั่นคงไม่หวั่นไหวไม่งอนแย่นกอนแยนมันก็ไม่กัดอารมณ์ของคนเนี่ยมันทำร้ายตัวเองทําลายคนอื่นมันร้ายเนี่ย เห็นมันเนี่ยนามมาทำอาการของนามไม่ใช่เราจะให้มันสั่งได้นี่ใครบอกไหมหลวงตาวัดป่าสุโขขอบอกเวลาใดมันโกรธอย่าไปพูดอดไว้ก่อนอย่าพูดตามความโกรธอย่าพูดตามความทุกข์ให้ทนทั้งหน่อยมีม่มอ่า ขันติความอดทนทำความเฉื่อยมไม่ในขณะที่มันจะผลผลผนแล่นู้ว่ารับร้างจังกิดไว้ก่อนเดี๋ยวมันก็หายอย่าทำตามความทุกข์อย่าทำตามความโกรธมันเป็นอาการเฉยๆดอมไม่ใช่จิตอย่าถึอว่ากูโกรธเป็นอาการของกิตนี้เห็นรูปเป็นนามะ โอ้ยมันดีเหลือเกินนะอยากบอกคนอื่นอยากสอนคนอื่นขอทูหลวงพ่เทีย น, นสอนให้เรามารู้จักตัวเองนนะมีคนเดียวนี่พ่อก็ไม่เคยพ่อก็ไม่เคยสอนแม่ก็ไม่เคยสอนหลวงพ่เทียนสอนให้เรามารู้จักรูปจังหนามรู้จักทุกู้จักเหตุรู้จักความดับแห่งทุกตามพระพุทธเจ้าอสอน ผ่านมาแล้วครึ่งศตรวรรษที่เราพบกล่องข้อเทียนนะ่ะและ้วก็เป็นของจริงนะ่ะทุกคนเหมือนกันหมดความโกรธไม่ใช่จิตเป็นอาการของจิตความทุกข์ไม่ใช่จิตเป็นอาการของจิตความร้อนความหนาวความหิวย่อไปทุกข์กันหมนเป็นอาการของกายของรูปถ้ามันไม่ร้อนมันไม่หนาวมันก็ไม่ใช่รูปเป็นอันตรายมันร้อนเป็นมันหนาวเป็นเนี่ย เป็นสันยาณภัยของเขาเพื่อให้เราได้ช่วยเขาเราก็ได้ปัญญาได้ฉลาดความหลงทำาห้เราปีปัญญาความทุกข์ทําเรามีปัญญาแต่เราไม่ศึกษาไม่รู้หรอกความหลงทำให้เราโง่ไปเลยความทุกข์ญญกทำให้เราโง่ ม, งมืดไปเลยเราจะมีปัญญาจากปัญหาที่เกิดกับลูกคนน้ำเนี่ยความโลภรู้ในกองสังขารคือลูกคนนาำเนี่ยเป็นปัญญา ไม่ใช่ไปลู่ที่อื่นรอบโลกไม่ใช่แบบนั้นนี่มาเห็นโอ้เห็นกัศเสหเห็นกัศเสหเห็นก็เสห์แห่งบุญแห่งบาอ้ตัวบุญคือใจดีคือรู่นี่เองตัวบาสเคยไม่รู้เนี่ยเห็นบุญเห็นบาสไม่แต่ก่อนอยากได้บุญกลัวบาส ไม่เคยรล่าจักควา ม, มาบุญทำแต่บุญไม่รู้จกกาาักกัวลลบากัวตุกนาโลกพอเห็นลูกเห็นนามลโอ้ยลูกจากแล้วบุญคือใจดีๆคือตัวลูกตัวเนี้ยถ้าใจดีเป็นไงไม่เพี้ยนถ้าใจดีจิงขเาเสียบบอถ้าใจดีจริงขเาเสียบบอนอนหลับบอถ้าใจถ้าใจให้จิงขเาวแียบบอใจให้เป็นสุขหรือเป็นทุกข์ ขีน้อยใจดีอะเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ใจดีะใจดีก็มีสวรรค์เดี๋ยวนี้แหละใจร้ายก็มีลาโลกเดี๋ยวนี้แหละนี่ว่าจิตนี่แหละจิตเศร้าโง่ทุกขติเป็นหวังได้จิตเตสังกะริเถ ทุกขติปฏิกงขาเมื่อจิตใจเศร้าหมองทุกขติเป็นที่หวังได้ทีเดียวตกตัลกเลยจิตเตสังกะิตเทสุทส ข, ขติอะไรปฏิกงขาเมื่อจิตไม่เศร้าหมองสุ ข, ขติเป็นที่หวังมันทำได้ไหมเนี่ยเวลามันโกรธเปลี่ยนมาโกรธได้ไหม ให้เปลี่ยนได้ทําไมจึงเปลี่ยนได้เพราะเราเห็นอาการของโกรธเป็นเป็นอาการไม่ใช่จิตง่ายๆจึงเมื่อสอนให้เห็นเห็นมันโกรธอยากเป็นผู้โกรธเอาไหมเห็นมันทุกอยาเป็นผู้ทุกเนี่ยแยกไปตรงเนี่ยเห็นกายสว่ากายอะไรที่มันเกิดกับกายไม่เอาอาการมาเป็นตัวเป็นตน รอนคือกูหนาคือกูหิวคือกูไม่ใช่เป็นจับอากายไม่ใช่จับบุคคลตัวตนเราอย่าไปยึดเอาตัวนั่นเป็นตัวเป็นตนเห็นเวนาเป็นสุขเป็นทุกข์อย่าไปยึดเอาโอ้หมันหมดเวลาแล้วสมควรละกับพ่อพ่อกัน